ธรรมชาดกแผ่นที่10ลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่17กันยายน2556มีชื่อเรื่องว่ากากับนกเขาวันที่19เกานะ่ คณะาตท่าญาติโยมลูกลาน่าลืมบอกต่อตกันไปด้วยก็ได้เด้ทํามบรรจุพระธาตุในองค์หลวงปู่มั่นหลวงตาหลวงปู่ล่าคุณแม่ชีแก้วบรรจุอธิธาตหรือพระธาตุในองค์รูปเหมือนท่านหินอ่อนหินขาวไว้แค ล, ล่า วันที่ 19, สิบเก้ากันจะงานแล้วฉันจะงานเสร็จก็บันจุละวันที่สิบเก้าเมื่อวันที่สิบเจ็ดนั่นลูกหลานนะในที่หลวงพ่อจับอยู่ในนี้ก็คือโยมลาดรานมั่นขวัญเมืองกับหมู่คณะรวบร่วมจะตุ ป, ปัจจัยเพื่อจะสร้างพระประท่านหินเนนสเปน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 ลานมั่นขวัญเมืองกับคณะเพื่นนี่มีไล่ซื้อเงาเหยียดเลยนี่ยหลวพออ่านบ่ได้หรอกถ้าอ่านเนี่ ย, ย, ย, าารรยก็าาาจะปฏิชันยังไ ง, ล, นน ง, ง ล, ะละมือเนะยเงาโกดคนละหน่อยกห้าสิบาทก็มีสองหอยก็มีคนละพันก็มีแล้วก็คนละหมื่นก็มีคนละหมื่นมีเยอะสามคนมาล่วมกันแล้วบาเนี้ยยอดชุธิทั้งมรดจัดสิบแปดคนเป็นเงิน แปดหมื่นหาพันเจ็ดรอยปดสิบเจ็ดบาทห้าหมืนแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทอ น, นลูกปล า, นนานในญี่ปุ่นหลายเนะสั่งพระประทานเห็นหมดทนหเพ่อเบามนะันเาเรื่องสังพระประานนี่นิวพระประทานขาดหักนิ่วพระประทานหัก ผู้ดใดเห็นโอ้โนิ่วพระประธานหักมอมีตากแก่คนหนึ่งออน่าจะเอาดินเหนียวมาแล้วก็มาปั่นแล้วก็เผาให้แห้งจากนั้นก็มาเตะดดามเส้นนิว้วนิ้วซี่พระประธานคนไปแล้วเอาสีท่ามานันเพราะท่าล้วก็คืบกันแล้วกันไปเขาก็ได้แด่เพราเขาได้แด่นะว่าเออแต่ทํามวยคว่ำจัดท่า นี่แหละอันยงได้ทำนิวซีให้พระประท่านเกิดมาพบนาชาตินาเป็นเจ้ า, ยายใหญ่้โตขึ้นมานาสี่ไปได้ทุกนอก่องหรือยเสือมัดหมดไปสี่ให้ทำอยังทำไ ร, รบรมไนิวซีมีอำนาจรบรมไฟพอได้สั่งได้สา่งนิวซีถวายพระประท่าน นวายอมเพอ่นี่มพววไปบรเวณในท่านหลวงพ่อแหลนี่หลวงพ่อเราเห็นในตำราแต่นายองเพร่บอกเนึก่าคือคือวนันไปเอีอนี่หละขันธมรภเขาสาังพระทั้งองค์หน่อยเออสินอันนี้สงสิขนาดใดวนันโไปสั่งพระประท่านเกิดพบนาชาตินาจะเป็นประมุกเป็นประท่านเขาตัว้ายขันสา่งพระประท่านองเดียววันนั้นข้นสา่งเป็นตังเจ็ดสิบวกนจกนนะเฮตจไหเป็นประท่านว้ หยาดไปคนอยู่คนละหมองแหม่อย่าไปหาอยู่มองเดียวกันตัวเออในประเทศในโลกนั้นมันต่างมีต่างเยอะแยะใช่ไหมละ่ะออตั้งร้อยกว่าประเทศคนนะที่เป็นประมุกเนะแล้วก็แต่ล ะ, ะแต่ละประเทศก็มีพวกเวิร์มนี่นายกสักคนหีืก็มีนอกลองนายกมีสำนักงานอีกตทางหากเออแต่ละกระทรวงทําวงกลม มากไม้ขนาดไหนร่วนแล้วจะเป็นหัวหน้าทั้งวัดขันโมมี่แทะกับเป็นหัวหน้าครอบครัวกันโมมี่แทะของหัวหน้าเจ้าของเงินตัวมันหัวหน้ามันมีหลายหัวหน้าก็ยังไงใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าไงมันโมปุพังกรรมมาธรร ม, มามโนเสรษฐมามโนมายา<ฮ>เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจฮนะ การบ่มีอย่างไรเจ้าของเป็นหัวหน้าเจ้าของแต่หัวหน้าที่ดีได้ต้องเป็นหัวหน้าที่ดีอย่าเป็นหัวหน้าจอมปลอมอย่าเป็นหัวหน้าตะเลถลายอย่าเป็นหัวหน้าที่เอาลัดเอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบลูกน้องเป็นหัวหน้าที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีอันนี้ก็คือหัวหน้าตั้งหัวหน้า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 เหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นพญาปลาในทะเลซึ่งอยู่ในทะเลก็เด็กมันเขาก็อยู่ในกลุ่มของเขาสมมติเขาเรียกเลือกปลาอานนท์เป็นพญาปลาปลาใหญ่แต่นกอยู่ในปลาหิมพานต์เราจะหาไขาเป็นหัวหน้าเราไงนกทั้งหลายฮเขาเลยปรึกษาปลาหาลือกันบ้าง ปรึกษาหาเลือกันเอาใครวะเป็นพยานะ่ยพวกหัวหน้าเนี่ยสำคัญนะเป็นผู้บงขาดเป็นผู้ชี้ขาดถ้าว่าใครทะเลาะกันก็ต้องมีหัวหน้าถ้าไม่มีหัวหน้าแล้วจะทำยังไงจะเป็นผู้ไก่เกลีย่ยแล้วจะเป็นผู้ชี้ผิดถูกได้อย่างไรเพราะต่างคนก็ต่างมารุมมาตุ่มกันยมีแต่จะประหับประหารกันนะ ถ้ามีหัวหน้าขึ้นมา้วก็ตั้งหัวหน้าขึ้นมาทุกคนก็ต้องฟังหัวหน้ายดุดนะพวกคนก็ต้องหยุดแต่ทุกวันในประเทศไทยของเราหัวหน้าไม่ศักดิ์สิทธิ์นะหยุดคณายไตรก็ยังเขาก็ยังลากลอกคอหัวหน้าออกมาอีกนะไปว่าหัวหน้าไม่ศักดิ์สิทธิ์หัวหน้าไม่มีอำนาจเต็มนะก็เลยนี่แหละปกคลองที่หัวหน้าไม่เก่ง มันก็เลยมีทะเลถลายแต่ในเรื่องหัวหน้าเนี่ยจำเป็นและสำคัญดนี้นกทั้งหลายเขาก็อยากจะได้หัวหน้าเหมือนกันเพราะสัตว์ทุกประเภทก็มีหัวหน้าและอย่างที่ว่านมนุษย์ก็มีหัวหน้าสัตว์สีเท้าก็มีหัวหน้าปลาในทะเลก็มีหัวหน้านกทั้งหลายยังไม่มีหัวหน้านกก็เลยนัดกันไปไประชุมที่ป่าฮิมพานะนนัดไปไประชุมกันที่ป่าหิมพาล พอจากนันก็นกทันแล้วก็ลุมไปพอไปนกฮูกนะขงนกเป็นนกฮูกนกฮูกตัวใหญ่มั้งก็จะเป็นนกอล้อมั้งตระกูลนกฮูกนะพอไปก่อนแล้วก็ไปยืนยืนตัวตรงหลับตายต่างหากพระนกฮูกมันกลางวันมันมันนอนหลับนะกลางคืนเนี่ยค่อยออกหากินนะอย่างลืมตาลืมตาโพลงขึ้นมานะแต่กลางวันน่ยหลับตายืนนิง่ง ก่อนเพื่อนมานกทั้งหลายเห็นเงินถ้ายิบถ้าเป็นนกเล็กเห็นกระท้องน้องร้องเลยรอะไวท้วงอะไรอะไรแย่ๆอะไรอเงี้ยน่อยถ้าเห็นนกเนี่ยนะเอดูได้อันตรายนะหละักษณะอย่างงั้นนกขู่เลไปยืนนกทั้งหลายก็มาพร้อมกันพอพร้อมกันนกทั้งหลายก็บอกอื้มใครจะเอาใครเป็นหัวหน้าพวกเรา สัตว์ทั้งหลายเขาก็มีหัวหน้าหมดแล้วมีแต่นกตสกูลนกเนะี่ยยังไม่มีหัวหน้าจะเอาใครเป็นหัวหน้าสเสนอโหรือในที่ประชุมก็สเสนอขึ้นมาตัวนั้นก็เสนอนี้สเสนอนี่เสนอแต่เห็นนกเขาเนะ่ยยืนจงกรมมันหน่ากลัวเลยนกทั้งหลายเออเอานกเขาดีไหมมาก่อนเวลาอีกดูแล้วก็นหน่าเกรงขาม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 อดูสิจะเป็นยังไงข้าพเจ้ามองดูแล้ว น, ะนกเขาเนะี่ยมันกลางวันมันก็หลับตามมเนี่มกลางคืนังค่อยตาโผล่ขึ้นมาแล้วจะไปไก่เกียรจะไปโน้มน้าวเวลาพวกเราทะเลาะกันเนะี่ยไม่ใช่ทะเลาะกกลางคืนมาเลยทะเลาะกลางวันก็มีนะี่มันหลับตาอย่างนี้มันจะเกิดประโยชน์อะไรข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยที่จะเอานกเขาเป็นพระยาเป็นหัวหน้านะ ต้องดูดูแล้วจะไม่มีวิสัยทัศน์อีกต่างหากจะไปไกลเกียยไครแต่หับตาอยู่ทั้งวันอยู่ซึเมเงิ่นอยู่เลยไม่เหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าเนามองมองดูแล้วไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะมองเหตุการณ์อะไรนกเขาพอพูดขึ้นมานกเ้าก็ บ, บินขึ้นบนอากาศกากากากา้าก้านกกากาบินขึ้นบนอากาศ ก้าก้ากล้าไม่เห็นด้วยที่จะตั้งนกเขาเป็นหัวหน้าจากนั้นกากันลงมาลงมาสัตว์ทั้งหลายเออใช่กาพูดถูกกว่าออจริงอย่างที่กาพูดดูแล้วชุ่มงนงมอยู่ทั้งวันเนี่ยมันก็ยังว่าเป็นหัวหน้าไม่ได้หรอกหัวหน้ามันต้องสอดส่องสอดใส่ดูหมู่พวกเพื่อนสารถูกสุกดิบออมันถึงจะเป็นหัวหน้าที่ดีได้ เนียมีอะไรไก่เกียร์ถ้ามันมีทะเลาะกันเออถ้ามันตูกร้ายขึ้นมากับปลามจึงจะโทษแต่นิสัยนกเขาเนี่ยความไก่เกียร์คงไม่มีหรอกนิสัยแบบนี้ซึมกไม่พูดไม่กระดุกกระเดกอย่างเนี่ยคงไม่เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าเอาเอาไม่เอาใครไปเลยกลุ่มหนึ่งอเออน่าจะเอากาเนอะวะ่าการู้สึกว่าพูดเข้าท่าวะ่ะพูดเมื่อกี้นี่วิสัยทัศนมองไกล เอากาทะนะน่นกเขาก็ขวางในใจอยู่แล้วเหมือนเอยว่ากาจะเป็นหัวหน้ามันขวางอยู่ในใจจากนั้นก็กานกเขาก็พวกท่านทั้งหลายจะเอากานะเป็นหัวหน้าข้าพรเจ้าไม่เห็นด้วยนะเดกก็เหมือนกับผู้แทนทุกวันนะอยู่ในสภาเนยะเอาคนหนึ่งขึ้นมาคนหนึ่งคัดค้านเอาคนหนึ่งขึ้นมาคนหนึ่งคัดค้านว่เจ้าลูแล้วก็คือคนรอนมันมันต้องมี มีดีคนละอย่างมีเลวคนละอย่างใช่ไหมล่ะอันนี้กากับนกเขาก็เหมือนกันนะกาก็มองนกเขากันแบบหนึ่งแต่นกเขามองกาเฉนเลยพวกท่านทั้งหลายจะออกกาเป็นหัวหน้าเหรอดูเขสิตัวของมันก็ดำไม่มีอยู่แล้วใจของมันก็ดำยิ่งกว่าขนมันอีกไงแต่อหน้าเนี่ใช่แต่รับหลังนี่เออ มันคักขโมยเนี่ยใครจะไปยิ่งกว่ากาต่อหน้าอีกแบบหนึ่งรับหลังอีกแบบหนึ่งต่อหน้านี่นั่นหละดีไปรับหลังไปหาขโมยกินไข่ไข่นกไข่อะไรตกไข่อะไรกินลูกนกกินลูกลูกเล็กเด็กแดงของสัตว์สัตว์ทางหลายกาเนี่ยไปขโมยกินไข่กินลูกนกถ้ามันเป็นพยาเนพวกท่านทั้งหลายจะเอาลูกมาสังเวยมาเลี้ยงมัน มาให้มันกินเนี่ยเท่าไหร่มันจะเรียกกินเท่าไหร่พวกท่านคิดดูให้ดีกันแล้วกันนะถ้าจะเอากาเป็นพระยาเนะี่ยมันลักเล็กขโมยน้อยนะมันไม่ซื่อสัตย์นะเห็นไหมตัวมันกระดาอยู่แล้วใจมันยิ่งดากว่าใจมันยิ่งดํากว่าตัวของมันอีกพวกท่านจะเอาอยัางไงข้าพระเจ้าไม่เห็นด้วยที่จะเอากาเป็นพระยาเป็นหัวหน้านกเขาบอกออนกเขาก็บินขึ้นบนไฟเกี้ยว เกไม่เห็นด้วยที่จะเอากาเป็นพญาเป็นหัวหน้าเออกล็ลงมาลงมาเออใช่นกเขานี่พูดถูกพรกกาเนี่ยหน้าไหวหลังหลอกเอ่อต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งเออกินหมูอีกต่างหากอาถ้ามันเป็นพญามันจะกินขนาดไหนถ้าขนาดไม่เป็นพญาขนาดที่มันก็ยังมีชั้นเชิงเลี่ยมขนาดนี้อไม่สมควรที่จะเป็นหัวหน้า พอคนไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่มีคุณธรรมในจิตใจแล้วไม่น่าจะเป็นหัวหน้านะเอา้าเอาคนอื่นเอาสัตว์อื่นสัตว์ทั้งหลายก็เลือกเฟ้นกันนะได้พญาหงษ์หงษ์ยืนสวยงามได้พญาหงษ์เอาเสนอหงษ์เป็นพญาดีไหมพญาหงษ์พอหงษ์เนี่ไม่เบียดเบียนใครลงในในน้ํากินกกินปลาเล็กๆ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 หลกดประชุมเสร็จแล้วเนี่ยไอน้นกหูกนกเขาในกฎก็ไถ่กลาเหมือนกันนะเพราะว่ากาคัดค้านตัวเองเอกาเนี่ยก็โกรธไห้นกเขาอีกเหมือนกันหาว่านกเขาไม่ให้ตัวเองเป็นหัวหน้าพอต่อมาก็เลยผูกพยาบาทอาฆาตกันแต่นี่ยกากับนกเขาทุกวันนั้นก็ยังยังมีอยู่ได้อสาเหตุที่พระพุทธเจ้ายกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นชาดกเนี่ยนะ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 ปัดหัวนกเขาขดขนนกเขาที่สาลาแต่ละวันเกือบจะไม่เว้นแต่ละวันนะพระสงฆ์ก็เลยบ่นเอยนกสองตัวมันทำไมเป็นอริเป็นศัตรูกันมันทำไมจึงสังหารเบียดเบียนกันขนาดนี้นะพระพุทธเจ้าได้ยินก็ได้เสด็จมาประทับก็เลยบอกว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายนกสองตัวนะั้นเป็นอริศัตรูกันนะตั้งแต่นู้นตั้งแต่เริ่มสร้างโลกนะ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 ที่ทำที่แท้เนี่ยนุ่นหลบไปอยู่ทั้งที่ไหนก็ไม่รู้นี่แหละหลวงพ่อว่าหัวหน้าอย่างพวกเราเลือกผู้แทนก็เหมือนกันผู้แทนรัฐสภารู้แทนารก็ชัดเจนอยู่แล้วผู้แทนของพวกเราถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องลุมไปหาผู้แทนมันจึงจะถูกนะจะไปหาปิดถนนนะมันไม่ถูกหลวงพ่อว่านะต้องรวมกันไปหาผู้แทนจฉมาผู้แทนรัสรืะ ถ้าผู้แทนได้ยินหลวงพ่ออินพูด ผ, ผู้แทนก็คงจะควันขึ้นหูอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อวานนะเอ อ, เ, อเราเป็นผู้แทนแล้วก็ต้องเหยียบขี้หมา ก, ก็เหยียบก่อนเพื่อนเหยียบน้ำก็เหยียบก่อนเพื่อนเราจึงเป็นหัวหน้าเขาได้ใช่ไหมอย่างหลวงพ่ออินก็เหมือนกันนี่ที่เป็นหัวหน้าวัดเนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหลวงพ่ออินก็ต้องออแอนอกมารับและมีอะไรหลวงพ่อเองเป็นผู้รับผิดชอบ ในพระสูงทั้งหลายที่มาอยู่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาอยู่ที่นี่มีอะไรเกิดขึ้นภายในวัดหลวงพ่อเองมีอะไรมาพูดมาคุยกันได้เพราหลวงพ่อเป็นหัวหน้าอยู่ในวัดนี้มีอะไรไหมหลวงพ่อก็จะต้องพูดเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อเป็นหัวหน้านี่ก็เหมือนกันถ้าใครจะเป็นหัวหน้าก็ต้องเป็นผู้รอบคอบเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ตายแต่แทนหมู่พวกเพื่อนได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อต่อวงต่อคณะของตนเองได้มันจึงจะเป็นหัวหน้าได้ไม่ใช่ว่าเป็นหัวหน้าแล้วหลบลบลีกหลีกๆี ก, ก, ก, ก, กซ่อนๆเวลาเขาไปหาไนงะว่าจาไม่อยู่อยู่เรื่อยไม่ได้แล้วอันเป็นหัวหน้าที่ไม่ดีถ้าหัวหน้าดีแล้วก็ต้องเดือดร้อนอยังไงพี่น้องประชาชนพระสงฆ์วัดวาศาสนา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 ให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอตอเ น, นี้ไปรับพร น, นมูธนาให้พร